วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เรามาเปิดงานเปิดงานจะเปิดถล่มเปิดโป๊เปิดใจวันวนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันเสาร์สำหับจะมาให้กอคิดวันนี้ก็คือเป็นวิถีปฏิบัติที่นี้สำหรับพวกเราเ็นนักปฏิบัต นักปฏิบัติไม้คช่นักเผยแค่จะได้นักปฏิบัติก็ได้แต่ว่ายังไรก็ได้คือนักศึกษาก็ได้เพวาะนักปฏิบัตินี่ปฏิบัติเพื่ออะไรมันผัดเตอเพื่ออะไรนมันมันมุนปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้รู้รู้อะไรรู้ที่ไหนรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเหีนตัวเรา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 คนนั้นอย่างไม่เข้าใจตัวเองยังไม่เคารพตัวเองเมื่อไม่เคารพตัวเองนะก็เป็นการขัดแย้งยินในใจใจนั้นมันขัดแย้งกันไม่ใช่รูปอันนี้ขัดแย้งกันใจมันเป็นการขัดแย้งทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ทาอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ผูกทำอย่างนั้นจะตกนรกทำอย่างนั้นไปสุ่สวรรค์ทำอย่างนั้นไปในพาน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 คือบุคคลที่ไคลจากเหตุจากผลไคจลคจากคาวามจริงไคลจากการปฏิบัติไคลจากมรรคผลมิตรานไกลจากพระพุทธเจ้านั่นเองเจว ง, จา อ, งจาอาตุลกาลพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี้มีอายุอยู่ตั้งนานอย่างที่สมณะโอมดมอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราอายุาสามสิบปีท่านตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอายุแปดสิบปีตาย พอฟังแสงทึ่ง้อยเท่านั้นเองนี่เท่านั้นเองพวกที่อัศว์กายยืดไปบันี้พระศีอริยเมตไตมีอายุแปดหม่ปีจะมาตัดกระลเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนาอยู่เป็นระยะเวลาสี่หม่ปีพวกอัศว์กายเนี่ยยังเห็นแสงพระศีอริเมตไตนในมฆทอแสงทึ่งห้อยนี่เองเรวรูไว ลิซานามพระปา น, นแสงนเพราะนั้นแยกเท่านั้นเองแสงธรรม ม, มื่นิสณีหรือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะลุ น, อ น, อนานถนัดดังนั้นคนเราก็ห้เขา้าใจจสิงตอนนี้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าที่ากาตนาพุทธเหล่าเีฆพอเราให้สังเกตุมันเป็นเด็กกันได้าากาตนาพุทธได้ร่วมไปได้ห้าพันปี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 จะเกิดเป็นไฟไหม่ตัวเองหมดไปเลยแณดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าที่ไปเกาะอยู่ในพระพุทธรูปแต่ละองค์ละองค์นั้นเท่ากับมเมล็ดงาเท่ากับเม็ดงาบ้านหลงเล็กเล็กน้อยทางนี้เท่ากับมเมล็ดงาเนีน่ยมันเป็นเสียงหั้นลิน้นเมล็ดงาลิ้นลินล น, ล น, ล น, นิดเดียวแต่บ้านหลวงพอไม่คยเล่นอรเลยเท่ากับเม็ดงาดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าอันเท่ากับเป็นงานจะรวมตัวกันเข้า แต่ที่ลูกปีวัตถุนไม่ไปหมดแล้วเป็นฟุ้นเป็นทุลีอะไรไปหมดนะก็จะมารวมตัวกันเข้าวงจิตวิญญางเป็นลูกเจ้าสายสิทธาคุมาเลือกเป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยเนยมาแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคือจะเปิดโลกให้แสงตะวันหรือแสงสาชิตหรือแสงตะเวนมีกลมสว่างออกมาคนใดไปฟังเทศในขณะนั้นเนี่ย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 แล้วออกคําพูดคาสอนของพวกเราเนี่ยไปสอนนึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนี่ไงเป็นอย่างนั้นคนก็เลยไม่รู้จักทิษฐานทีนน่ทำยังไงเป็นบุญทํายังไงเป็นบาปทํายังไงเป็นปัญญาทํำยังไงไม่เป็นปัญญาไม่ค่อยรู้จักกันคันท่ไปเจริญวิปัสสนานะบนัดนี้เอาวิปัสสนาเข้ามาแล้วต้องไปนั่งขัดสมาธินับตา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 เลือกคัดไม่ได้จะเป็นคนไหมยังไม่ใด้ผลยังเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นมนุษย์ทำไมเ่เพียงพูดอย่างนั้นก็พูกคนจริงให้กันฟังอันนี้พูดอย่างนี้ก็ต้องมาพูดที่พูดเมื่อวานนี้น้อ ย, อ ย, อยกับพวกอะไรรัฐมนตรีอะไรน่มาเปิดอบรมวานนี้เนะี่ยสมัยนั้นมีฤาษีคนหนึ่ง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 เทคนิีจินดาเครื่องใส้ไม่สอยเอาเงินไปซื้อเอาได้ทั้งนั้นเอามาแลงวันไปยังไงไม่ถอบเงินก็ไม่ชอบเพราะคุณสั้งเป็นพักเป็นพวกขัดอกขัดใจขัดเย้งในคำพูดกันมานั้นก็เพราะเงินนี้เองเหมือนเดียกวกวกคุณก็ต้องคณะนั้นกรรมการอันนั้นเห็นดีขึ้นมาตั้งพักพวกของคุณพวกผมก็ด้อยกัน ญ, ญา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 ปา ส, สดาจาง ก, ก่อนหน้าจ่อยไปเลยหน้าจ้อยไม่เือนหน้าน้อยหน้าไม่ไม่ใหญ่วันนี้พวกคุณมันติดพือติดเสียงติดเกลี ย, ยจจดติดยศพวกกับผมตัดเล็กตัดน้อยเดือดร้อนแน่คนที่จนโจรก็เดือดร้อนก็เพราพวกคุณนี่เอง